กางทำมาเราไม่ควรเลอระดับรกสังกันมา่ก็เหมือนกันกับอหนที่เราเคทานูแล้วก็ตามมีชีเป็นอยู่ก็จำเป็นจะต้องทางต่อไป เลื่อยต่อทั้งทั้งสิบกีเลิศกันหาขาดตกบกพร่องหลุดเหลือมออกไปแล้วแต่ตาพรริยเจ้ามีพระเจ้าเป็นตนท่านก็ไม่เคยเว้นเป็นเคยสอยเดือดกลางปฏิบัติทางธรรมะแต่ท่านปฏิบัติของท่านปฏิบัติเป็นวิหารธรรมคือความอยู่เป็นตุขเฉพาะขันธ์กับธรรมะ เราฝึกปฏิบัติกันขเราปฏิบัติกันในอย่างนั้นคือปฏิบัติเพื่อกําจัดทีหลปัญหามานาพิคที่มีอยู่ให้หลุดทะลยออกไปให้ใจสุกใจสบายใจสงบเหนือจากวิเลมศพวกเราปฏิบัติกันปฏิบัติมีสุขก็จะกําจัด สิ่งที่ชั่วเสียต่างๆภายในใจให้หลุดให้ตก อ, ออกไปเหมือนพระอริยเจ้าที่สำคเป็นอเยข่าบุคคลปฏิบัติเนื่งคือปฏิบัติจะมีหาละทำของท่านคือปฏิบัติมันใช้เคื่องละจะบำเพ็ญเพราะสิ่งที่คจรละควรบำเพ็ญตั้งแต่ละได้บำเพ็ญถึงที่สุดแล้วแต่ยังขาดขันยังมีอยู่จะต้องปฏิบัติไปเหมือนกันกับ คนแก่ทานอาหารชีวิตยังอยู่แต่ทานด้วยไปแต่ไม่หวังว่าจะให้เป็นหนุ่มเป็นสาวอีกทานเท่าไรก็ไม่มีความเนึกคิดว่าทานไปแล้วมันจะหนุ่มจะแน่จนจะเป็นสาวคนอีกไม่มีกว่าสาวดีอยู่แล้วว่าทานไปเทา่าไรถึงวันถึงเวลามันก็แะเรื่ยซ้ปที่สุดก ถึงส่วนความใจแต่พอทาน อ, อาหารเป็นเขื่อนบนร่งางกายให้อยู่สุขสบายถ้าหากในทานอาหารกายมันก็อยู่ไม่ได้นานวันเขาก็จแจกสลายเพราะกายอาศัยอาหารแต่เด็ดทานในทานแบบนั้นทานแบบอินน้ำำาําสํารานทานเขื่อนซำ เติบโตของเขาคนเสือคนเท่าทานเสื่อยังชีวิตเป็นอยู่เหมือนทางถึงความเติบโตเหมือนเด็กมีการปฏิบัติอาอถรรพของพระอาเซสาบุคคลกับพวกเรามันนต่างกันที่ตรงนี้ตอนนั้นเมื่อทํามีชีวิตเป็นอยู่ท่านไม่เคยละเลยในขอวัดปฏิบัติไม่เคยละเลยการปฏิบัติมัเพน เดินจนกลมนัน่งสมาธิภาวนาท่านทำของท่านเหมือนกันยกตัวอย่างที่เราเหมือนตามสำหรับตำราท่านเส ด, ด็จมาโปรดแย่สาวสิลบุตมาแต่เพราพระองค์เองไม่มีพิกษุติตามมาระยานั้นพิกษุยังไม่มาก มีแต่พวกกัญจวที่ห้าองค์ถ่านั้นที่เป็นพ้าอาหารนอกนั้นก็ยังไม่มีใครสนใจเรื่องธรรมะก็หกกับพระศาสดาพอสำเร็จอาหารอาหารแล้วคือเสร็จจิตที่จะควรทำเพื่อสรรมณะและบำเพ็ญพระองค์เองทราบวิธีจิตของ สิทเหล่านั้นตัวผขาถังเป็นอย่างไรคิดเหล่านั้นก็เป็นอย่างนั้นเพราะความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันในที่แตกแต่ต่างกันส่วนบาสนาบาลีนั้นต่างกันอำนาจบาสนาแต่ส่วนความบริสุทธิ์นั้นเสมอนกันเราจะกระจายเป็นเป็นอย่างไร การจั้วิีงหากเป็นอย่างนั้นคือบริสุทธสมากันแล้วก็ทำ็แนกแจกออกวัยห่งแห่แฝาสนาตามสถานที่ต่างๆเพื่อคนที่สนใจจะได้สดับรับฟังศึกษาชำระจิตใจของตัวไม่ให้ไปโดยการสอนองค์ให้ไปองค์เดียวเท่านั้นองค์นั้นไปนั้นองค์นี้ไปนี้ตัวพระองค์เองก่เสด็จมา ทางหนึ่งพระลานสีมาเพื่อจะโปริย า, าสักโลบุตรพระพ่อองค์นึ่งจพระอรหันตธรรมดาเป็นพระพุทธเจ้ามีพยานาไปจัดชัดเจนเห็นใครควรจะไปโปรตท่านก่อนเสด็จไปโปรตถึงจะมียากลำบากขนาดไหนก็ อ, อุาห์ไปโปรสงสารสัตว์ขีดตก ทุกเรื่องยากลำบากยันไหวตายเกิดในวัดต๋าสงสารสานจึงเสด็จไปที่สันเสด็จไปในวันนั้นปรากฏตามตำนานกล่าวไว้ว่ยายะสาวกินโลบุตรตื่นจากนอนมายาาสะสาวกินโลบุตรเป็นลูกของเศรษฐีทุกสิงทุกอย่างดูเหมือนจะแข่งขงันกันกับพระพุทธเจ้าคือปราศาสตร์ ที่พักอาศัยมีแต่สามหลังเหมือนกันฤดีฝนฤดูหนาวฤดีร้อนมีภาษาสามหลังแล้วมีสนมมีเอ่อบริษัทบริวารไปคือหญิงกว่ามีมากเดือนหน้าตื่นมาเห็นพวกแต่ตีเหล่านั้นนอนหลับเฉี่ยอกาศกันอยู่ดูดูแล้วเบื่อในจิตในใจ เหมือนป่า้าไม่มีความกำนัดยินดีไม่มีความยุติเป็นใจในการเป็นอยู่ในคาววาเห็นวัยยุ่งเย้อลำบากไม่มีทางที่จะออกจากทุกข์ทรมานสมบัติเข่าของที่หามาก็พิจารณาในใจว่าไน่มีอะไรที่จะห้ามกันความเจ่บความเสียความตายได้เลวเวนักออกนี้ ได้จิดในใจว่าหี้งวุ่นวายที่มงขัดข้อจะไปแสวงหาหมฆะธรรมในทราบว่าอะไรเริมมันนานใจเขาทั้งทั้งที่เเคยได้ระดับรอบฟังมาจากใครแต่ความคิดในธรรมพิยนาธรรมมันเกิดขึ้นแบบนั้นก็เลยนี้ไปโดยไม่บอกลาใคร วิดาแมนดาคอบอกลาทางระยะหรือพวกคนชา้าผ่าสกรรมกรในนั้นคอยบอกใครนีไปคนเดียวกลางดึกก็เบืบบ่อตาบืนอายอย่นั้นที่ไม่เืนไว้์เนาที่เยียขัดข้องเนาะตายตาปวดไหพวพระเจ้าระยะนั้นกำลังระดดเดินยงกลอดูกทั้งทั้งที่พระพทธเจ้าเนี่เป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วไม่มีอะไรที่จังละผี่จะบำเพ็ญ มีสแสดงว่าพาเลียเจ้าถึงแผ่นบริสุทธิ์ไมมีการละการมันเพ่งแผ่นก็ยังทํา้องทำอยู่เหมือนกันกับคนแกีทานอาหารทาบดีอยู่แล้วว่าจะ ก, การทําแกไม่ได้ใจเหนื่อยยังในตาสะต้งทานไปทุกวันทุกเวลาเพราะกายยังอยู่กายอาศัยอาหารหนุนถัดขันยังอยู่การประพื่อปฏิบัติตธรรมะ มันะต้องไปพฤ่งปฏิบัติแต่ในปฏิบัติเฉยๆตัวดมเช่นเหมือนเฉยเราถั่วไปทำในมตมหนัเราก็อีกสิ่งนี้คือเดือดปัญหาขี่หลังหนึ่งคอยอยู่ทุกการทุกเวลาดังชี้ว่าการนั้นก่อนการนี้ ก, ก่อนจึงจ ะ, จะประพึ่งปฏิบัติเพื่ออัดทำแต่ถ้าพึ่งใต้เจ้าเหล่าสาวกถั่วไป ถ้าในอ่านการานสมัยอย่างพวกเราถึงการถึงเวลาจะไปยึดปฏิบัติโอกาสว่างการใดเวลาใดท่านก็ปฏิบัติของทันทายโดยเมสมาใจทั้งสองข่ดไม่ด้วยมุ่งหวังจะปฏิบัติเอาอะไรเพราะสิ่งที่มุ่งหวังในจิตในใจนั้นไปจากที่แล้วถึงในปฏิบัติอันนี้จะเส่วนเสียไปนี้ ท่านกา็ทาบว่าไม่มวันเมลาที่จะหายไปชี่ไหมปฏิบัติไปสิ่งนี้จะยืนขด้นเื่ท่านกา็ทราบว่าอันนี้มันเป็นอย่างไรจะมีจิวิ้าถาที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกนะั้มจิตมันเป็นออย่างนี้จ <c> ว <oughs> ่าหมดจิวยาท่านกา็ทาบ ทุกคนยอมทาเมื่อปฏิบัติถึงขั้นเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเรานั้นเราทราบดีปฏิบัติมาตั้งใจเบน้ต้นเราก็ทราบแต่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันส่วยมันเจริญมันสงบมันสงบจริงเราวราบมาทุกระยะจนฟามติดข้องท้องใจในรูปเสียงกลิ่นรส สวามขัดต่างๆเราก็ทราวบว่ามันค่อยๆวางมาเป็นระยะะเปะ็นถ้งขั้นที่มันปล่อยวางจริงจังเราจะทดสอบดูดุจสติปัญญาของเราว่ามันยังมีอยู่หรือมันหลอกเลียงเราเป็นบางขัน้นบางตอนก็เคยทดสอบกันในนะักปฏิบัต เคยมาทุกสิ่งทุกอย่างศาบมาทุกจุดในจิตได้เข้าสัมผัสกับธรรมถึงยางไม่ถึงจิตสุดยอดมโนปิภานใจจิตก็ไม่มีโอกาสคิดอ่านสิ่งตึงไปสู่อารมณ์สัญญาสี่เฉาเสียต่างๆพอเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีคุณค่าราคาไปเกี่ยวข้องในสิ่งเหล่านั้นก็เสียเวลา ตัวเองกับตํมหนตัวเองจิตจัดตัวอย่างนั้นรักษาตัวดวสจิตรักษาตัวดดปัญญาเว่าอิรญยเดบดายจิตข่ทำที่เจริญนาทำเกิดตัญญาแก้ไขสิ่งจิตจิตคล่องในจิตในใจให้ลุดเล่ยงออกไป เหนื่อยเหนืยในการกินพิเตอร์นเขาพักร่อสงบทางสมาชิก็เขาพักผ่นสงบเมื่อได้กำลังพักผ่นเพียงพอแล้วก็ออกที่ใจนาอีกตามนที่เของคมีอาจมีทำผู้กระเพิปฏิบัติอาจทำทำหนึ่ง่เดไปสนใจกันเรื่องอื่นสนใจ เยเื่องตัวเองอยู่ตลอดระยะเวลาในหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญข้างนอกหาความสุขจากจิตใจที่ได้สติได้ปัญญาได้ธรรมะเกิดขึ้นมีนใจพอใจในความเป็นใจของจิตไม่มีทางตั น, นตัวของตัวว่าเชลียวเสียโดยการทำผิดคิดที่ผิดออกไปจาก หลักข้องธรรมมีสติรักษามีปัญญาแนะนำใจเครืองเตียวอยู่ทุกการทุกเวลาทุกระยะอยู่คือปฏิบัติธรรมะปฏิบัติอัตธรรมมีความร่มเยนเต็มสุขเยียบสงบเหมือนเต็มไปตามระยะที่จิตของเรา เาเกี่ยวกับอัดกับทำรรเหมือนกันกับเราเรีย น, น, นยหนังสือภายนอกสิ่งที่เราเคยอ่านไม่ออกเขียนไม่เขีนแต่เราฝึกไปฝึกไปเราก็เขียนได้อ่านออกจริงๆเป็น่ารฝึกของจิตของใจที่เคยไปเกี่ยวเกาะตัวพันยึดมั่งแต่เรามีปัญญามีธรรมะในใจนำสิ่งนั้นมาที่นี่ที่นมา มันหลุดหล่นตกออกไปสงบสบายได้ท่านมีตามีหูมีอายตะนาทั้งหกเหมือนกันกันกบคนธรรมดาแต่ท่านเห่ล้งเหลงติดข้องในรื่เสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกเพราะท่านมีธรรมะผู้มีธรรมะจึงเป็นหน้าสักการะบูชาหน้ากราบว่า ทำในเลึกล ง, งเถิดเพลินเมอเม่าเหมือนสัวเอราถูกไปเพราะใจทั้งท่านอยู่กับอัดกับทำไม่ไดอยู่กับวัตถุส่วนอ ท, ท่านทำผตั้งหน้ามึงหน้าเราเพื่อปฏิบัติอัรทำถึงขั้งอัตโนมัติเป็นไปอย่างนั้นและมีการมีเวลาและมีสถานที่ มีผู้คนมาเกี่ยวข้องพูดคุย ท, ทังทีว่าเป็นอุปสรรคสำคัญฉะนั้นท่านจึงสอนเรื่องนี้ด้ชอบหูนี้ด้วยเพราะผีนี้ร้วยกายนี้ด้ยไม่มีคนไปเกี่ยวข้องทุกผลานอยากจะพิมพิเอนะเดินเดินกลมตอนใดก็่า่มีอะไรนะเกี่ยวข้อง อยากจะ น, านาั่งภาวนาตอนใดก็มี อ, อะไรมาบีดขวางนีคือการลิ้วๆทางกายในทุกผลานในทุกที <c oughs> กับสิ่งภายนอกเขาคือพรเจ้าเองทรงสันแระเสริและนักจากทั่วไปที่มีใจเป็นธรรมสังแระเสรนเรื่องลี้วๆผู้มีธรรมชอบรียก เมื่อเข้าไปหาทําเป็นทำเป็นอย่างนั้นด้วยกันเลยวาผู้หญิงผู้ชายไลยว่านักบว่อค่ละว่าต่หากจิตในเข้าหาผีเรียกได้จิตยังวียนวายตามอารมณ์ปัญญาที่เหลืปัญหาจะไม่อยู่วัดอยู่วายไปอยู่แต่กายไม่มีความสุขความสบายเบื่อร้อนคิดไปนั้นเชิงไปนี้ตั้งมีอันนั้นตั้งมีอันนี้ เนี่ยแล้ว้าจิตใจของตัวอยู่วัดอยู่ทำอยู่ h i ể อยู่ตาอยู่เขาสงบสนักขนานไหนใจยอมมันเชื่อมันหนยานานะอะไรมันก็ไปได้เรวเรืยิงกว่าสิ่งทั่วไปยิงห้องใจไม่มีอะไรเป็นสิ่งผีขวางนอกจากสตินอกจากปัญญาธรรมะแถานั้นไปผีขวางใจเลยไปเสียว หลงหลงโยข่วงกับปัญญาอารมณ์ถ้าคนไนมีสติปัญญาหรืมีธรรมะในใจก็อยู่ในสถานที่นี้จ่งโยยากลำบากตาตัอยากเห็นฟูตอยากฟังตหมูตก็อยากได้ยินเล้อยากลี้งนวดกายอยากถึกต้องสัมผัสอารมณ์ของใจเลยยิ่นยี่ห่นไหหาความสงบสบายในบ้าเนื อยู่ด้วยความไม่สบายอยู่ด้วยความไม่พอใจอยู่ด้วยความไม่เต็มใจอยู่ด้วยการบังคับบัญชาไม่มีความมติยินดีในความเป็นอยู่ของตัวมันก็อยู่ยได้อยู่ดยที่สงบขนาดไหนก็เลยไปกลัวผีกลัวเปรตกลัวอะไรต่างๆนานาถือว่ามันมีพรรคพวกมีเพี่อนมีเพื่อนพวกคุณเราหาคํานยเหยหาความสงบ ตามสุขใน่ได้หัวยุ่งยุ่นออกมาหาหมู่หาคนะหาบาห้านหาเมืองไปกันใหญ่ตามเรื่องของใจคือมันจิเป็นคล้งองห น, น, นึ่งคือคนเหนึ่งมีอาจมีธรรมหาความสุขจากที่เวทไม่ได้ใจในเกี่วข้องใจมันพัวพันใจมันยึดมั่นในเรื่องของโลกถ้าหากเรามีอาจมีธรรมสำราญสาสังยินดี เปิดเทินในขี่ยี่นี่ดูสิจ้บายตากไม่เห็นเงเห็นกไม่ได้คิดได้งว่ารูปนั้นเสืออย่างนั้นงามด่านี้รูปนั้นไม่ดีขียี่นี่ดูจมันเหน่ยเฟืงไหมันไม่ยินมันก็ไม่ได้คิดล้เดีเฟ่งไฟหล่าเขาจะน่าเส็มยอมย่อเขาจิตจิตนทาอย่างนั้นอย่างนี้ มันนี้ก็จะทุกอย่ามันเลยแก้ไขจิตใจงหาความสงบง่ายี่ง่ายก็เลยถังจึงถือว่าเป็นมหาวิทยายสาหรับฝุกใจอบรมใจขี่ง่ายเลยถึงจไม่สะดวกขัดข้องในภายนอกเช่นอาหาร ส่วนหนองผมหรือผี้พักที่อาศัยท่านในถือเป็นอุปสรรคอะไรสำรับสูงต่างใจไปแบบที่ปฏิบัติธรรมขอให้ได้ที่นี้ด้วยอาหารมีอะไรก็ทานไปเขาเคยทานท่างดีไปแล้วแลือที่เหลือปัญหามันเคยหยุดเคยหุ่นออกไปมั้มได้อะไรจากการทานท้องหยุดท่อง ด, งดีมีคุณค่าสูงเสุด ทั้งหลายก็ถือว่าเป็นของหยิบคล้องดีของไปินีบรรจงเราก็เคยผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วยิบทานของหยิบคล้องดีมีคุณค่าเท่าไรกายมันมีกําลังใจมันมีพลเลกมันก็เหมือนคนมีอาวุธเลยไปเจือใครสามารถจะ ตนจะขี่ได้ทุกขี่ทุกสถานหรจิตใจทั้งหัวเราท่านก็ทํานองเดียวกันอาหารเป็นตัวหน่งสำคัญอันหนึ่งนี่ยอาหารดีมีตัวมีเส้นอย่างนั้นอย่างนี้พอทานเข้าไปอ่ะอิ่มแล้วไม่อยากจงกรมไม่อยากภาวนามันเหืเหงาทับถมเตมทีเข้าไปอาหาร ทานได้มากนอนก็นอนได้มากแล้วก um ําล um <ingen killers> yep. <sho> <Brilliant> ังของกายมันก็มีกําลังของจิตเด็ปัญหามันก็เกิดขึ้นคนป่วยเนี่ยถึงมันจะคิดจะปรงไปเรื่องต่างๆนานาเขามีกําลังมแม้คนคิดจะต่อสู้ใครเพราะเหตุใดเขากําลังเขามันมีมีใจของเราก็ทํานองเดียวกันอาหารจึงเป็นอย่างสําคัญอันหนึ่ง เมื่อทำไปได้ทีคือเด็กถึงอาหารภายนอกจะไม่ดีแทนกว่าที่ว่าดีแล้วเขาช่วยเหลือมีอาหารดีบันบังคับตัวไงได้มันอยากทานอันนั้นมันอยากฉันอันนี้เด็กไม่อยู่นี่ตจนหลิ่มจะไหลเหลื่อยไปใจเจนฟันได้มันกระเพาะมันจะแตกแล้วมันจะเลยลําบาก เหนื่อยมาอยในสถานที่อดยาแก้เคลื่อนอย่างนี้เขาชาวบ้านทีอเขาให้เขายังไม่ตายเขาก็ทานกันเหมือนกับที่เขาเอามาถวายพระเจ้าพระสงฆ์นี่เองไม่ใช่ของดีวิเศษอะไรเขาก็ยังอยู่ได้พระพุทธเจ้าสาววกล่าที่ท่านออกประพุทธปฏิบัติท่านเดยไปประกาศไหมข่ า, ขาวพระเจา้าเป็นศากตร์พยาบุตรข่าวพเจา้าเป็น กษัตริย์เจ็นชีพระผาตุมาที่ประทับก็ดีที่บรรทมก็ดีอาหารเสมอยดก็ดีจะเอาของอย่างนีง้อย่างนี้มาให้ไม่สมควรนะเพราะฉันเป็นกษัตริย์ท่านไม่เคยประกาศท่า น, นไปอยู่สถานที่ใดหนีไปภาวานาในถ้าทํานอยู่ในบ้านของทันเมืองของท่นเขาเหล่ า, า, านั้นในทราบว่าท่านเป็นกษัตริย์ แล้กปฏิบัติประพฤติธรรมสมัยนั้นก็ยังไม่มีใครที่นิยมชงชอบกันทำเบิกเบิกก่อนคนอื่นทั่วไปผมวงดุสีตีภัยก็ทำนองเดียวกันหาขอทานมาได้เขาให้อะไรก็ฉันไปตามเรื่องที่ท่านข่มขีดจิเลศของท่านได้ดีหยุดไม่ทาวงเล้งไหลไม่ใฝ่ฝันว่าบั้นทบไม่เหมาะ กรพทไม่เหมาะอาหารไม่เหมาะไม่ดีทําคิดไปท่านจิดแต่จะสั่้าใจของท่านท่านยิงยืดเร็ท่านิ่งย ด, ดสบาเรามันชนขนาดไหนจี่มีใจมากใหญ่ใสสูงคิดตรงไปในทางชั่วทางชิดอย่างนั้นมาประพืชปฏิบัติเพื่ออาจทาหรือมาต่อพืชปฏิบัติเพื่อสะสมกิิลสทีนี้ที่ใจนาดูจิต ด, ดีใจของตัว เมื่อมันเฉื่อยมันเสียมันเป็นไปในทางโหกกอตัอหนห น, น, น, นิมันข่มขีมันเราตั้งหน้าตั้งตากไปปฏิบัติในจิตฝูงคิดจึงแสงไปในทางชั่วจิตก็เลยสงบจิตก็เลยสบายเยือกเย็นเห็นผลในทีนี้ว่าช่วยเยอะเสือบเหมนเราได้รับความสุขความสบายพรอจิตมีอาหารคิดคือทำตั้งใจดได้ สะดวกสบายสงบทั้งกายสงบทั้งใจนี่คือการประบัติปฏิบัติอธรรมถือพระพุทธเจ้าหรือสาวกได้มาสอนพวกเราถ้าไม่ได้อ่านตำรับตำลาว่าอันนั้นอย่างนั้นอันนี้อย่างนี้ท่านอ่านจิตอ่านกายของท่านเพราะกายนี่เป็นตำลาใหญ่ใจของเรานี่เป็นตำลาใหญ่ ถ้าไปอ่านแต่งพีภายนอกไปจำมาจต่ภายนอกมันไม่เกิดประโยชน์ให้มันไม่ทันกับกิเลสปัญหาที่มันชิดตึงขึ้นภายในใจถ้าอ่านภายในดูภายในมันจะเห็นของจริงอะไรมันเป็นกิเลสปัญหาอะไรมันเป็นมรรคเป็นผลเห็นตัปจากชัดเจนขึ้นถึงจะเขียนให้เขาดูม่ได้อ่านตัวหนังสือภายนอกไม่ออกกวาดตา แต่ภายในทของท่านเป็นอย่างไรท่านทราบท่านเข้าใจมันเป็นของที่มีคุณค่ามีสาระส่วนจํามาจะได้ในประกาศนียบัตรมีประโยชน์กว่าเอามาเถอะเกี่ยวับญหามันหัวเราย่ออยุดตลอดเวลามันไม่เคยตกเคหล่นออกไปเพราะการศึกษาจํามาเแ่านั้นมันตกมันหล่น ม, มันหลุดมันล่วงออกไป ด้วยสติปัญญาด้วยการประฤติปฏิบัติธรรมะศึกษาภายในคศึกษาใจเท่านั้นนึงเป็นเรื่องของพวกเราทุกท่านที่เป็นนักปฏิบัติจะควรที่นิสัยนานํามาสอนจิตของเราเรามาแสวงธรรมมาหาธรรมมาประบฤติธรรมอย่าให้จิตวกคิดโยกข้องไปอย่งนอกมาอย่างนั้น กว่าจะไปตำหนี้ที่นั้นไปตำหนิที่นี้ดีอย่างนั้นเชื่ออย่างนี้นี้แต่ใจทังตัวเองม่ตำหนี้มันเกิดขึ้นจากที่ไหนที่ตำหนี้ที่ชมมันเกิดขึ้นจากสถานที่เหล่านั้นหรือหรือมันเกิดขึ้นจากจิตของตัวต้องสอบสืบทีนี้พี่แจนาวกเข้ามาภายในจึงจะได้ชื่อว่าโอปัญญาธรรมคือปู่น้อม สิ่งต่างๆมาที่เจรณาภายในหายใจของตัวเกิดเป็นธรรมรู้เห็นในสิ่งต่างๆตามเป็นริงไม่ขัดข้องวุ่นวายสงบสบายอยู่ทุกอิริยาบทนี่คือสูประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของตัวไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีวันมีเวลา ไมีสถานที่ให้ไปสถานที่นั้นมันก็แขวนคอไปไม่ใช่ว่าไ่สถานที่นั้นท เ, นนเกิดปัญหาเราเก็บเอาไว้ในตู้ในหีบในบ้า น, ใ น, าานในส่องห้องเรามันไปติดตัวของเราไปในเจนอย่างนั้นถ้ามันเก็บเอาได้อย่างนั้นมันก็มีความสุขความสบายในต่อมาผมก็ปฏิบัติอาจทําอะไรถ้ามันจูงจิตจิตคล้องอะไรขึ้นก็ยัดมันใส่หีบใส่ตู้เอาไวเ้เยอะอย่าให้มัน มาลบกวนจิตใจของตัวมันในตัวอย่างนั้นเรื่องชีวิตปัญหา <c oughs> ความชั่วเสียต่างๆมันอยู่ในจิตในใจของเราเราไปถี่ไหนก็เหมือนเงาตามตัวไปอย่าลงนะ้าขึ้นเขามันจิดไปเรื่อยเงามันเป็นอย่างนั้นความชั่วเสียของจิตของใจเราทำนองเดียวกันพยายามขับไล่ในเมลวีใส เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์สามารถกำจัดขับไล่กี่ยวตับปัญหาของใจซึ่งเป็นสิ่งจอมปลอมให้ตกออกไปหลุด อ, ออกไปได้ถ้าหากเราทำจริงมุ่งจริงเพื่อความหลุดพ้นไม่หนุ่งหวังจะทำเล่นมุ่งหวังเพื่อผลสำเร็จในการกะทำของศักดเนล่วะ เดินเดินนอนทีนี้จะเจอนาะซ้ำหลายใจถือว่าเป็นงานใหญ่งานสําคัญงานเลย อ, อื่นคนภายนอกเขาช่วยทําได้แต่งานเข้าใจคนภายนอกช่วยทําไม่ได้นอกจากตัวของเราจะทําในตัวของเราเองเหมือนกันกับทานอาหารคนอื่นทานให้ไม่มีวันอิม่แมแต่เราเหนื่อทานเองมีการตัดสิปฏิบัติ สำลาดใจในด้านอาธธรรมขอทำนองเดียวกันมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติพอเราเห็ยนแล้วคิดไถ่ข้องใจทีดของจิตคิดปรุ ง, งส่างๆนาน า, นาแต่รับความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตัวข้องตัวขนาดไหนทุกคนเคยเจอเคยผ่านมาบางทีนอนไม่หลับบางทีน้ําตาไหลหุ่นหีีหุ่นวายจิตใจ หาความสงบสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะกิเลสตันหาโลภโกรหลงข้องใจก่อควนตัวเองที่มันเป็นอย่างนั้นพอเราขาดปัญญาสามารถที่จะกำจัดทัไล่ถอมใจท่องตัวให้สงบไม่ใช่เรามีปัญญาจะขว่าเอาคืนินเอาไฟเอาหอกเอาดาบ มาประหัดปหารตัวเองมาเผาตัวเองนั่นนึงคนมีปัญญามาฆ่าตัวเองมาเผาตัวเองอย่างนั้นใครเล่าในโลกเขาสันลเสริญกว่าคนนั้นเหนือเขาเจ๋งจริงๆปัญญาเขาเด่นเขาฆ่าเขาเองเขาเผาเขาเองอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีใครในโลกเขาสันละเสริญนี่เราเก๋งด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิ เขาตัวเองให้เดือดร้อนงุนวายหาความส ง, งบสบายไม่ได้แมว่าตัวเก่งตัว ด, ด, ดีตัววิเศษนั้นในบ่านต่างเจนักจากฟังผี ฟ, งฟังมันโกงยังจะไม่สรรเสริญยังจะไม่เชื่อพยายามสอนจิตที่นี่ที่เจนาะต่างหน้าต่างตาอรุรมศึกษาเพราะธรรมะไม่อยู่ที่อื่นกายของเรามีอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาไม่ว่านัง่งว่าเดินว่า ย, ยนืน ว่านอนเราอยู่ในกายพใจนะให้แยกทายให้เข้าถึงให้เห็นจริงจิตคิดคิดเพื่อยึดถือว่าดังนั้นอย่างนี้พอหลงเหลือท้องกายถือว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าเขาว่าเราต่างๆนานามันพิจิตรพิจารณาสำละ อย่าแย่แฉะดูเขารู้ให้ถวดถึงถาดอันใดเป็นอันใดที่ในไปให้เห็นเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อมันเห็นในจิตในใจเป็นจริงอย่างนั้นความยึดมั่นถือมั่นว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าตนว่าตัวมันจะหายไปในใ่มันจะไม่หายถ้ามันเห็นจริงแล้วมันหายมันมีทางท่องสายนี่มันเห็นในจริงมันจึิงยึดจึงถือ ว่เป็นนั่นเป็นนี้เพราะจิตของเราไม่เข้าถึงอาจถึงธรรมเมื่อยังไม่เข้าถึงอาจถึงธรรมต้องหมั่นที่นิเทศนาศึกษาพิ่เจรนาดีเรื่อยเพื่อจะให้จิตเห็นเป็นในอาจในธรรมจริงจังขึ้นตาดูหูฟังไม่เป็นพิษเป็นภัยจิตใจฟุงคิดไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตัว เป็นจิตขันเป็นขันไม่มีอะไรสะสมกันต่างอันต่างอยู่ถ้าหากไม่เป็นอย่างนั้นก็จะรับรองหรือเอ่ยปากขึ้นไม่ได้ว่าความบริสุทธินั้นมันไม่ใช่ธาตุขันมันเป็นความบริสุทธิ์อยู่ตลอดวันตลอดเวลา น, นับแต่วันชำระจิตใจ ถึงขี่สุดแล้วเอาตาขึ้นไม่ได้รับรองตัวเองไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าเองท่านมี่านมีขันธ์ท่านก็มีอุเวทนาสัญญาสังขารมินญานำอะไรมาสอนมนุษย์ทั่วไปท่านก็ยังฟ้งยังคิดอย่างนี้ยังสอนคนอื่นได้ไม่ใช่มันสึ่งเหลา่านี้มันเป็นกิเลสสึ่งเหลา่านี้มันเป็นผูกบริสุทธ สิ่เหล่านี่มันเป็นสมมติอย่างไรท่านก็ใช้ไปตามสมมติของท่านความบริสุทธิ์ของท่านเป็นอย่างไรตา ม, มดืดตา ม, มัวอย่างพวกเราหยับไปวิจัยวิจารให้ต่างหน้าต่างาต า, งาศึกษาพิจารณาภายในหายใจขั้งตัวตวิเคราะเห็นแล้วจะไม่มีอะไรเข้าใสแบบความบริสุทธิ์นั้นมันเป็นอย่างไรพอเราเห็นเราเป็นในตัวของเราจรึงทราบรัดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในโลก อดีตยาเจ้าอยู่ในโลกทำในติตข้องกับโลกมันเป็นอย่างนี้เพราะไปจาก <c oughs> ในตัวของตัวอย่างนี้จึงไม่มีอะไรจะสงสัยธรรมะเป็นอากาลิกโกคือไม่มีการมีสมัยความบริสุทธิ์ไม่มีการมีสมัยเหมือนกันคูาปฏิบัติจะไม่มีการมีสมัยความปฏิบัตริรอยไปอย่าไปอาศัยว่าการนั้นเชืกก่อกรองการนี้นเชื่อ ก, ก่อน ไว้นั่นเชื่อก่อนไว้นี้นเชื่อก่อนมรรคผลในขาดไปจากโลกถ้าหากผูตรศาตนางตายังรักษาประพฤติปฏิบัติเพื่ออาจเผื่อทำอยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่ที่ในมีอาจทำในใจก็เกิดสงสัยอยู่ด้วยไฟสมัยนี้ศาสนาผ่านไปสองพันห้ารอยกว่าปีแล้วอย่าไปคิดไปนึกววามมรรคผลจะ ม, มี ต่อพืชปฏิบัติไปขนาดไหนต่อไปพืชปฏิบัติไปเธอมันเป็นแบบนี้มันนับไม่ได้มันมืดมันบอดในจิตในใจถ้ามันบอดมาแต่กําเนิดจะยกภูเขาทั้งลูกมาให้มันดูมันก็ไม่เห็นนีู่นะเพราะเหตุใดเพราะมันบอดมันจะมองเห็นอะไรใจพบคนบอดตจะทํานองเดียวกันท่าทำมีอยู่ก้องโลกอยู่ มันก็ไม่ได้ยินมันหนวกมันตาท่านผู้รู้ผู้ดีผู้พิเศษนีอยู่มันบอดมันกนไม่เห็นพระอาทิตย์ส่องแสงจ้าทั่วโลกกระามันยังไม่มองเห็นมันจะไปเห็นอะไรเป็นอะไรให้เพราะใจมันบอดเราที่เนื่อที่บอดก็ทำนองเดียวกันอย่าไปเอาคูบอดมาเป็นศาสดา เอาเกี่ยวจันหามาเนี้ยสอนใจให้ฝึกอรบรมต่อเพื่อปฏิบัติใจตามธรรมะที่พรจจะพุทธเจ้าสอนสติตั้งลงอยู่ในกายพิจาจนาให้ทั่ะนะวตั้งอยู่ในเวทะนาะคือความสุขทุกข์ต่างๆ น, นั่นนะพิจารณให้อยากท้ายให้ขอยใจตั้งอยู่ในจิต ความคิดปรุงต่างๆมันผิดถูกเชื่อดีอย่างไรตั้งอยู่ในธรรมคือความดีความเชื่อต่างๆหากล้าตั้งจิตมีสติที่มีทิเจรนาธรรมะอยู่สม่ำเสมอไปใจมันไม่ใช่ว่ามันจะบอดเลือยไปมันจะมีโอกาสเวลาสว่างสวัยขึ้นมาเหมือนเด็ก มันมีการเปลีการโตขึ้นถึงมันค้ามยังไม่ได้นั่งยังไม่เป็นเมื่อเราอย่างดูวันเรื่อยไปมันก็ความได้นั่งได้ยืนได้เดินได้วิ่งได้สะดกวกสบายอ่จิตใจของเราบเบ่งสนมันก็หลมลุกคุคานเป็นธรรมดาต้องศึกษาต้องพิจิตริกนต้องฝึกหัดเนจิต มีกำลังแข็งแรงเดืองโลกเรืองโซ่สารเรืองปัญญาอารมณ์ต่างๆกิเลสตัณหามันจะมีการต่อสู้มีการแพ่การชนะในการทิิวิจัยนะจนที่สุดมันจะได้ชนะตลอดเวลาและไม่มีกิเลสตัณหาหนาไหนจะมาขอต่อสู้มันทาบ จากการประพฤติปฏิบัติของตัวมีการประพฤติปฏิบัติเห็นอนิสงส์เด่นชัดในตัวของตัวอย่างนี้ถลงมือประพฤติปฏิบัติจริงจังไม่มีอะไรกว่ามรรคผลมันหมวดไป ต, ตามกาลตามสมัยทําเป็นอาาลย์โกจริงเป็นสารพิธิโกจริงเห็นจากการแต่ทําบําเพนของตัว จะมีความสงสัยมาจากที่ไหนเข้อใจเด่นชัดเดียดด่างนั้ น, นการเพื่อปฏิบัติธรรมจรึงจําเป็นที่พวกเราทุกคนผูม่งมั่นในความสุขความส ง, งบควรกระทําบําเพ็ญผู้ที่มีธรรมเท่านั้นจะเยือกเย็ยนเป็นสุขถึงโลกจะเดือดร้อนวุ่นวายขนาดไหนใจของผู้มีธรรมเยือกเย็น อยู่ตลอดเวลาในวุ่นวายขัดของไปตามเรื่องของโลกมีอานิสงส์เราเห็นเราเป็นในตัวตอยาไปตไปหาไปเหี่ยงไปแดกไปหามหารถหาเกียนมาใส่แต่เรามีธรรมะมากไปสถานที่ใดมันหนักมันลำบากไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งมีมากเท่าไรยิ่งเบายิ่งสบาย ไม่ได้เฮืองได้หัว่างคนนั้นจะมาป่นมาจีมาข่ามาตีแย่งชิง yeah. อย่งทำจากเราไปเพราะทำเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ของกายของใจของผู้ปฏิบัติคนจากภัยทั้งสี่ไม่มีภัยอะไรที่จะมาคุกคีเกี่ยวข้องมันถุกมันสบายอย่างนั้น พระพุทธเจ้าแ่านจริงสงสารพวกเราผูเจคมอยู่ข่างอยู่พยายามแก้ไขสักทีให้ผลจะขี่รุ่มขี่จคมอยู่ให้ขึ้นมาอยู่เป็นอิสระธรรมดาด้วยธรรมะ คือพระผู้ใจเจ้าจงแนนสอนโดยไม่ได้คิดมูลค่าถึงจะเหอยากลาบากขนาดไหนพระองค์เสด็จไปในคิดมูลค่าเรามาสอนเธอได้รับความสุขความสบายอย่างนั้นอย่างนี้เราจะเอาอันนั้นจากเธอเอาอันนี้จากเธอถ้าเนี่ยเธอได้คิดไม่เหมือนคําสอนของชาวโลกเรียนมาไปสอน สมงกันไปสอนเป็นเดือนเป็นปีกันตงคิดตกลงกันเยอก่อนจริงไปสอนหนูธรรมะของผู้ใจเจ้าหรือตัวของผู้เจ้าเองไม่ได้คิดม้วงข่าจากใช้ไทยไปดูวความเต็มพระไทยดูพระเนตตาสอนไม่ไดคิดสิ่งตอบแทนอะไรตลอดไปัจจุบานครูอาจารย์ที่ทนมีอาจมีทําถ้าไมเคยคิด สงสารสัตว์สงสารสิทธิ์แม่สอนไปทุกเนี่ยทุกมุมเ่วยจะให้สิทธิมีเสริมีปัญญาทำลายใจของตัวถี่ชั่วถี่เสียให้หมดจดจะเห็นความสุขความสงบประเสริฐอิเศษิฐดีเด่นขึ้นเมื่อลูกศิษย์ต่างหน้าต่างตาเพื่อปฏิบัติตามธรรมะที่ครูที่อาจารย์สอน วิวเห็นเป็มในจิตในใจท่านก็ไม่ได้หิบขาอะไรมีแต่ความเป็นใจยินดีที่เขามีความสุขความสบายอย่างนั้นอย่างนั้นไม่เหมือนคนที่มีขีดเส้นตันหาไม่เหมือนเรื่องของโลกเรื่องของธรรมเป็นของ ดีของวิเศษทั้งผู้สอนทั้งผู้ศึกษาฝึกพิธีปฏิบัติได้จึงเป็นคนวิเศษหมดที่เหลือตัณหาพยายามสำละเร่งใจอย่าไปคิดว่าการนั้นการนี้มันไม่มีอะไรในโลกอันนี้ถ้าหากเรามีปัญญาที่เจรนาถ่วถึงแล้ว ไม่มีอะไรเป็นข้าศิกศัตรูไม่มีอะไรที่จะควรของจิตแต่หาพี่ในะถั่วถึงในธรรมมันต่อยวางสละได้เย็นสบายตงพยายามวั น, นเดือนปีผ่านไปเราไม่ทำคุณงานความดีอะไรมันก็หมดไปอยู่อย่างนั้นเราทำความดี วันคืนเรือนตีมันก็นมาทวงเอาความดีจากเราพยายามกับทาบาเพ็ญให้มันเห็นมันรู้มันมีเหลือวิสัยถ้าต่างใจก็คือปฏิบัติไรว่าคารวะไรว่าบัญพิษทามันมีอยู่ทุกปลุกทุกนม้มปลุกว่าทานา ม, มาทำพยายาม ที่นี่พี่เจนะศึกษาถ่าจิตเป็นธรรมแล้วมันไม่อดทํามองไปสถานที่ใดมีแต่รรทําเท่านั้นรก็เป็นธรรมเสียงก็เป็นธรรมสิ่นก็เป็นธรรมรบก็บเป็นธรรมถ้ายจิตใจไน่เป็นธรรมอะไรมันก็เกิดขีเหลวตัญหา ว, าว่าหุ่นไปหมดจงพยายามฝึกรรจิตอารมณ์ใจให้สงบให้เย็น ใหเห็นให้รู้ในข้องจริงต่างๆตามเป็นจริงข้องมันเมื่อพวกเราท่านต่างหน้าต่างตาศึกษาประพฤติปฏิบัติภาวนาความหลุ่มหลงของจิตหลบไปหลงต่างๆนานาเนี่ยจะเบาออกไปสบายออกไปหลุดเล่นออกไปแต่ที่ขอทุกท่านเป็นตั้งใจกําหนดวิธีโามาศึกษา ปฏบัติใจร่าจ่าของเสือทุกคนได้ระดับรับฟังทำเมลยาเสียปฏิบามาเก่งนานไปแต่พิบัตที่บัตต่อจากนั้นก็จะมีความสุขความเจริญการปฏิบาติธรรมะเห็นเราพอถงวเจริญเราคอยจิตนชนิด